คำแถมท้ายย้อนกลับไปพูดถึงคฤรืหัดเห็นควรสรุปเรื่องนี้ด้วยการกล่าวถึงข้อปฏิบัติบางอย่างที่ควรเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับโภคกระซ์์ดังนี้ข้อก่อในแง่บุคคลควรดำเนินตามพุทธปฏิปทาที่นิยมยกย่องคนมั่งมีทรัพย์เฉพาะแต่ผู้ที่ร่ำรวยขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยทางสุจริตชอบธรรมและใช้ทรัพย์นั้นทาสิ่งที่ดีงาม บำเพ็ญประโยชน์คือยกย่องความเป็นคนดีมีประโยชน์เหนือความมีทรัพย์โดยเฉพาะจะต้องฝึกสอนอบรมอนุชนคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมที่จะเห็นเป็นความดีงามความสามารถอันน่าภาคภูมิใจต่อเมื่อได้สร้างสมโภอ ก, กทรัพย์นั้นด้วยความเพียรโดยสุจริตและมีความตั้งใจมุ่งหมายที่จะใช้ทรัพย์นั้นทําสิ่งที่ดีงามบำเพ็ญประโยชน์การนิยมยกย่องคน เพียงเมื่อเห็นเขาเป็นคนมั่งมีโดยคิดว่าเขาเป็นคนมีบุญได้ทํากรรมดีไว้ในปางก่อนชาติก่อนไม่มองดูการสร้างเหตุแห่งความมั่งมีของเขาในชาติปัจจุบันนับว่าเป็นการปฏิบัติผิดจากแนวทางของพระพุทธศาสนาทั้งสองด้านคือทั้งเป็นการไม่ดําเนินตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวข้างต้นและทั้งเป็นการไม่ใช้ปัญญาสืบสาวเหตุ ป, ปัจจัยให้ตลอดสายโดยเฉพาะเหตุ ป, ปัจจัยในชาติปัจจุบัน เป็นส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงใกล้ชิดกว่าจึงต้องพิจารณาและให้ความสำคัญมากกว่าส่วนกรรมปางก่อนจะช่วยได้ก็เพียงเป็นพื้นฐานเดิมเช่นร่างกายความถนัดชาวไวไหวพริบและจริตนิสัยบางอย่างที่เกื้อกูลแก่การนั้นหากจะมองกรรมปางก่อนเป็นเหตุสำคัญก็จะได้เฉพาะคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มั่งมีอยู่แล้วและแม้ในกรณีเช่นนี้ พระพุทธเจ้าก็หาได้ทรงยกเป็นข้อสำหรับที่จะยกย่องสันเสริญไม่เพราะหลักทั่วไปของพระพุทธศาสนาไม่ถือความประเสริฐเพียงเพราะชาติตระกูลอยู่แล้วจุดที่พระพุทธเจ้าทรงสันเสริญสำหรับบุคคลเช่นนั้นคือกรรมดีงามที่เป็นเหตุให้เขามาได้รับผลอันน่าปรารถนานี้ต่างหากส่วนการที่เขาเกิดมาในความมั่งมีพรั่งพร้อมอยู่แล้วนั้นก็เป็นอันว่าเขาได้รับผลดีของเขาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องยกออกมาสันเสริญอีก ตามหลักพุทธศาสนาถือว่านั่นเป็นทุนเดิมหรือพื้นฐานดีซึ่งทําให้เขามีโอกาสดีหรือพร้อมดีกว่าคนอื่นหรือจะเรียกได้ว่าได้เปรียบคนอื่นในการที่จะก้าวต่อไปในชาตินี้เป็นอันว่าผลของเรื่องเก่าได้เสร็จสิ้นไปแล้วถึงจุดเริ่มต้นใหม่จุดที่พระพุทธเจ้าจะทรงติเตียนหรือสรรเสริญสําหรับคนเช่นนี้ก็อยู่ที่ว่า เขาจะปฏิบัติต่อทุนเดิมหรือพื้นฐานดีที่เขามีอยู่แล้วนั้นอย่างไรส่วนสำหรับกรณีทั่วไปก็ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นคือจะทรงยกย่องสรรเสริญหรือติเตียนก็อยู่ที่ว่ากรรมอันเป็นวิธีที่เขากระทําเพื่อให้เกิดทรัพย์นั้นสุจริตชอบทมหรือไม่และเขาปฏิบัติต่อพก่กทัพย์นั้นอย่างไรพูดอีกอย่างหนึ่งให้ตรงจุดว่าไม่ใช่ความมั่งมีหรือคนมั่งมีดอก ที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนหรือสันเริญพระพุทธเจ้าทรงติเตียนหรือสันเริญที่การกระทำของคนมั่งมีต่างหาก